หาังเขาได้มาปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนหลายคนก็เป็นคนสแสวงหาเนาะไปหลายสำนักหลายวัดหลายวิธีการทั้งทั้งแบบที่เป็นดั้งเดิมในเมืองจีนก็ดีหรือว่ามาจากประเทศอื่นก็ดีนะหลายคนก็เรียกว่าสแสวงหาได้ยินว่าที่นี่ดีก็ไปนะก็คล้ายๆคนไทยใน มีหลายสำนักหลายครูบาอาจารย์ก็ไปแต่ตัวเลือกของเขาอาจจะน้อยกว่านะหรือว่ารูปแบบที่แบบเทระวาดก็ไม่มากนะักส่วนใหญ่ก็เป็นแนวมหายานในสายล์หลวงพ่เทียนก็ไปเปผยแพร่ที่เมืองจีนก็มีหลายคนก็สนใจมาปฏิบัติธรรมนะแต่ก็เป็นธรรมดาของทุกที่นะก็มีทั้งคน มาแล้วก็ไปไม่เห็นหน้าเลยก็มีหรือว่าเห็นซ้ํๆกันบ่อยๆหลายหันะจนทั้งตามมาที่เมืองไทยก็เยอะนะก็มีมีหลายคนที่รู้สึกว่าเหมือนพบนะพบทางที่จะเดินเหลือทางที่จะใช้ชีวิตแล้วนะบางคนก็พูดขั้นเหมือนเหมือนได้เหมือนได้กุญแจนะ เปิดประตนะูแห่งชีวิตนะรู้ว่าชีวิตต่อไปภายภาคหน้าจะต้องแบบเป็นแบบไหนนะใช้ชีวิตต่อไปเป็นแบบไหนดีแต่ก่อนมันมืดมนแต่ก่อนไม่รู้ทางทางไปนะหลายท่านก็ค้นพบตรงนั้นคล้ายๆเหมือนเป็นแสงสว่างนะในในแนวการเจริญเจริญสตนะิมหาสติประฐานซึ่งที่จริงมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าบางที เขาก็ไม่ได้พูดเออเวลาไปสอนเนี่ยก็ไม่ได้พูดมากนะอาจจะมีเทศวันละครั้งนะสอบอารมณ์วันละครั้งแค่นั้นนะนะอาจจะมีสื่อบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าพูดถึงเชิงความรู้ในเชิงปริยัติเนี่ยคนจีนเขาดูน้อยกว่าเรานะเพราะว่าในข้อจำกัดของภาษาหนังสือหนังหาก็มีไม่มากนะหรือพี่จริงแม้เราจะพูด เต็มที่แต่บางทีก็ข้อจํากัดของการแปลการสื่อสารเนาะมันก็อาจจะทำให้ตกหล่นขาดหายไปบ้างนะแต่เขาก็พยายามทำให้เต็มที่นั่นแหละนะมันก็เห็นเนว่าอย่างที่เขารู้สึกว่าคนไทยเรามีบุญเยอะเพราะว่าอะไรในเมืองไทยเรามีครูบาอาจารย์มีสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าภาษาที่เราสามารถสื่อสารกันได้แบบเข้าใจกันมากกว่า อันนี้ก็ถือว่าก็เป็นบุญนะบุญนี่ไม่ใช่ว่าบางคนไปคิดว่าบุญคือท่านต้องเกิดมารวยเกิดมาโชคดีเกิดมาต้องแบบไม่มีปัญหาในชีวิตนะที่จริงการที่ได้พบธรรมะพบครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นบุญนะเป็นบุญที่บางทีมันมาเป็นบุญที่มีค่ายิ่งกว่าบางที เรามีวัตถุภายนอกแต่ไม่มีเวลาให้กับตัวเองใช่ไหมหรือว่าวันๆก็ยุ่งแต่กันต้องที่รักษาวัตถุรักษาชื่อเสียงรักษาดูแลบริวารต่างๆขึ้นไม่ลดเจได้ก็บุญหรือว่ายุ่งกันแน่นะเป็นบุญเป็นบุญที่ได้ยุ่งหรือเปล่าเป็นบุญที่ไม่ได้มีเวลานะ แต่จริงคนที่มีบุญส่วนหนึ่งนะก็คือคนที่ได้มีเวลาได้ทำในสิ่งที่เป็นคุณค่าของชีวิตนะใช่ไหมก็นะเป็นบุญอย่างหนึ่งนะหรือถ้าบางทีชีวิตเราก็เลือกไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่เป็นแค่บุญนะบุญอาจจะเป็นเหตุปัจจัยเก่าๆที่เอื้ออานวยให้เราได้ได้ประสบกับสิ่งนี้แต่จริงถ้าคนมีปัญญาเนะี่ยก็จะรู้จัก สร้างบุญให้กับตัวเองต่อคือไม่ใช่รอแค่เหตุปัจจัยเขาหนุนหรือเ ห, เหตุปัจจัยเขาสร้างแต่เราจะสร้างเหตุปัจจัยของเราด้วยนะในต่อไปอันนี้คือคนที่มีปัญญานะอไอ้บุญเนีก็เหมือนเป็นเป็นกรรมเก่าที่ดีที่ส่งผลให้เราได้อะไรต่างๆที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่คนที่มีปัญญากนะ็คือคนที่รู้จักจัดสรรค์ เวลาจัดสรรโอกาสหรือว่ารู้จักมองมองต่างๆนะว่าเป็นการสอนธรรมทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นปัญญาซึ่งจะเสริมบุญของเรานะเสริมบุญให้มันงอกงามขึ้นเพราะจะจริงถ้าจะว่าไปบุญจริงๆก็คือใจดีใจเย็นใจสงบนะเข้าใจพอเป็นจริงของของ ชีวิตหรือว่าของธรรมชาติเนะี่ยอันนี้จะเรียกว่าบุญที่สูงสุดก็ได้เนาะเป็นบุญที่ทําให้เราอยู่กับโรคอย่างไม่ทุกเนะนี่ยนี่ยจะเรียกว่าเป็นบุญที่สูงสุดก็ได้นะถ้าเรานะ่ะเราจะทําบุญเราจะภาวนาก็ขอให้เข้าถึงบุญตรงเนี้แหละนะบุญที่ไม่ต้องกลับมาเวี NY, ยนว่ายใจเกิดนะบุญที่แม้เราจะอยู่กับโรคแต่ก็สามารถที่จะอยู่อย่างไม่ทุกข์ก็ได้นะ อยู่อย่างมีความสุขก็ได้นะี่คือบุญที่เราต้องพยายามฝึกหัดทำกันนะี่ถือว่าพวกเรามีบุญนะที่ได้ได้ทำตรงนี้แต่บุญจะหมดนะถ้าเราไม่ทำต่อ <c oughs> ถ้าเรารอเวลาถ้าเรานะคิดว่าเรามีบุญเยอะแล้วตอนไหนก็ได้นะเดี๋ยวค่อยมาวัดให้ยปฏิบัติทำแต่บางทีบุญมันหมดเนี่ยมันไม่เหมือน ไม่เหมือนอาหารนะมันบอกว่าจะหมดอายุวันไหน <c oughs> ขนมนะบอกจะหมดอายุวันไหนแต่อายุของเราเนี่ยไม่มีใครบอกนะว่าจะหมดวันไหน <c oughs> บอกไม่ได้นะบางทีแล้วกอ็อย่าประมาทในในชีวิตของเรานะนะชีวิตมันมันไม่มากนักนะหรือว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะดับไปตอนไหนเนะี่ยเราก็ต้องเร่งความเพียรกัน เร่งแต่ไม่ใช่เร่งจนเพียนะแต่เร่งความเพียนอย่างด้วยความพอใจที่จะทำนะพอใจที่จะทำบุญพอใจที่จะทำดีพอใจที่จะนะปล่อยวางนะให้อภัยนะก็เป็นความพอใจที่ทำแล้วมันมีความสุขใจทำแล้วมันมีความสบายใจทำแล้วมันไม่ทุกข์ใจเราก็ นี่คือเป็นการทําทั้งทั้งหมดนะนัภาวนาเนี่ยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเนี่ยทำควบคู่กันไปนะให้เราถือว่าเนี่ยเราก็ยังทำมาตรงเนี้ยให้มากๆนะเราก็ที่จริงก็อย่างที่ว่านะเรื่องปริยัติเนี่ยพวกเราก็รู้พอสมควรแต่คนจีนมีอย่างที่ดีคือพอหลายคนพอเขาสนใจเนี่ยปริยัติเขาอาจจะรู้ไม่มากนะักแต่สิ่งหนึ่งที่เขา เอามาทดแทนก็คือความขยันนะความขยันความเพียรบางทีฟังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่เขาบอกให้ทำอันนี้ทำไปก่อนอย่างมุกไดสอนเมืองจีนนะบางทีเขาจัดนะเราเอามาก็บาทีเห็นนรกแรกก็น่าสงสารเหมือนกันนะไม่ได้อธิบายอะไรมากนะให้นั่งยกมือชั่วโมงหนึ่งให้เดินชั่วโมงหนึ่งห้ามถามเพราะเพราะล่ามหนีฟ้าก็ไม่อยู่ ถ้าก็อยู่แต่แต่พูดไม่ได้นะอืมก็ไม่ใช่หนีหรอกเขาก็อยู่บ้างแต่เหมือนคร้จัดเป็นเวลานาะจัดเป็นเวลาอืนั่งชั่วโมงหนึ่งเดินชั่วโมงหนึ่งสลับไปแบบนี้ทั้งวันจนทั้งถึงตอนเย็นให้ให้เวลาชั่วโมงหนึ่งนะถามคนเป็นร้อยนะ <c oughs> จะถามเพื่อกี่คนคนอยากถามเยอะจนเวลาไม่พอบางีถามก็ไม่ได้ บางทีก็ไม่ได้เข้าใจง่ายเหมือนพวกเราบางทีกวดจะแปรกว่ดอะไรมาไม่เข้าใจก็ต้องถามกลับไปก่อนเขาพูดยังไงเนะียก็ชั่วโมงหนึ่งก็ได้ไม่กี่คนนะแต่คนอยากจะถามเยอะอยบางนี้ยก็ด้วยความสงสัยด้วยความอยากรู้นะมันก็มีเยอะนะก็เนี่ยเขาก็แต่อาศัยความเพียร น, นะทําไปเรื่อยๆหลายคน แ, นกแรกๆก็สงสัยเนหะมือนกับพวกเรา คือสงสัยมากกว่าพวกเราเนี่แหละนะแต่พอทําไปไเรื่อยฟังไปไเรื่อยนะมันก็เออวันที่เจ็ดวันที่แปดนยะก็หลายคนที่อยู่ถึงนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ถึงแล้วก็ยึดโทรศัพท์ไว้ยึดโทรศัพท์ไว้แต่รอห้ามอห้ามกลับก่อนนอกจากเคสที่ที่หนักจริงจริงนะไม่ไหวแล้วก็เออปล่อยไปอืมก็มีบ้างนะ ก็บางคนก็อย่างว่านะพอไม่รู้ทําแล้วจะได้อะไรทําไปทําไมอ่ะไน่ะก็อยู่ไม่ได้นะสองสามวันก็ยืนไม่ได้แล้วก็ทําแล้วมันก็ไม่ได้มีความสุขเนาะไม่ได้เกิดความเข้าใจก็ก็อยากจะไปก็มีแต่บางคนทนนะอดทนทําไปเรื่อยๆก็ก็เข้าใจบ้างเข้าใจบ้างเนี่ยก็หลายคนก็ทํา แต่ก็อย่างว่ามันก็ต้องทํำบ่อยๆนะอย่างอย่างท่านสติเวฟุลโลนก็จัดคอร์สทีทีหนึ่งห้าครั้งท่านก็มาทั้งห้าครั้งนะมาช่วยแต่ก็ดีเป็นอาส า, าสมัครอืออาสาสมัครด้วยได้ฟังทำด้วยได้ปฏิบัติทำด้วยได้ทําบุญด้วยถือว่าได้หลายอย่าง อ, อ, อันนี้ก็คือก็ถักจริงๆนะเวลาทํางานท่านก็ทําเต็มที่ พอไม่มีทางานก็ไม่ต้องไปพูดคุยกับใครกับปฏิบัติธรรมของเราแต่บางทีคนไทยเรามางทีพอว่าตัวเองเป็นเช่นอาส า, าสมัครเป็นเจ้าหน้าที่นะงทีพอทำหน้าที่เสร็จดังฉากก็สบายแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปพูดคุยไปเล่นกันแต่อาสาสมัครที่นั่นก็าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีตอนทำงานก็ทาเตรียมให้กับนักปฏิบัติธรรม พอปฏิบัติพอช่วงเวลาปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้หนีไปที่ไหนก็ปฏิบัติไปด้วยนะกับกับนะนักปฏิบัติธรรมไอ้มาเองก็เหมือนกันนะก็ต้องอยู่นั่งปฏิบัติเดินปฏิบัติเขาให้นั่งก็นั่งเขาให้นอะนเขาให้เดินก็เดินอืเขาให้ไปนอนก็นอนอ <c oughs> นะก็ก็ทําไปคือมันพูดไม่ได้ก็อาศัยสื่อด้วยการกระทำนะี่แหละมัน บางทีก็เห็นผลกว่านะเราก็บอกให้ขยันนะก็เราก็ขยันเป็นเพื่อนเอากลับนั้นหือบางทีพูดไม่ได้ก็ต้องจับมือเอะผู้ชายก็ยังพอจับได้ผู้หญิงก็แค่ชี้มือชี้ไม้เอาจับมือยกแบบนี้นะอืหรือทําหน้าภาษาใบยิ้มแบบนี้นะทําสบายๆนะมันก็ พูดได้นิดหน่อยสอนได้นิดหน่อยแต่ก็บางทีมวาว่ามันเวลาภาวนาเป็นเรื่องเหนือภาษาเหมือนกันนะบางทีไม่เข้าใจหรอกแต่มันรู้สึกได้ด้วยกิริยากิริยาคนพูดบ้างบุ ก, กิกาของเขาเองที่ผลมันต่างกันนะลองสังเกตดูตัวเองอย่างผลผลตอนที่เราหน้าบึ้งเป็นแบบไหนผลตอนที่เราหน้ายิ้มเป็นแบบไหนใช่ไหมเราก็ตั้งใจผลตอนที่เราตั้งใจเกินไปเป็นแบบไหน ตอนที่เราทำเล่นๆคอนคายเป็นแบบไหนก็ลองย้อนกลับมาดูตัวเองเหนะัะเราก็พยายามดูตรงนี้นะก็ว่าความรู้ความเข้าใจเราก็มีพอสมควรลนะเหลือแต่ความเพียรความพยันาําไปนะแต่บางทีอาจจะมีความสงสัยบ้างแหละนะแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยมันบางทีก็ผ่านเองยังจำได้อาจารย์กรบล ตอนปฏิบัติธรรมก็พอทําไปแกล้ก็ยั ง, งมีความสงสัยบางอย่างนะก็ยังเขียนจดหมายหาหลวงพ่อคำเขียนแต่มันก็อาจจะเป็นความโชคดีของสมัยก่อนหรือเปล่ามันถื่อสารลำบาบเนาะเขียนไปก็จะถึงชัยฟูมก่อนพ่อจะเขียนกลับเนะี่มันหลายวันนะอารมณ์ที่เคยติดความสงสัยที่เคยมีเนะ่ะมันผ่านเอง <c ười> คือคำตอบของหลวงพ่อมาเนี่ย มันก็คือก็ดีนะเป็นกำลังใจแต่ปัญหามันผ่านได้ด้วยตัวเองละมันก็ทำให้เห็นว่าเออบางทีปัญหาความสงสัยเนี่ยบางทีเราก็แก้ได้ด้วยตัวเราเองละมันก็ผ่านได้เองแต่นอกจากบางคนถ้าทําผิดหรือว่าผิดเราไม่รู้ว่าตัว เ, เองผิดนะ น, นะไอ้แบบนั้นจะไม่ผ่านเพราะว่ามันยิ่งเหมือนหลงป่าแล้วก็ลงดึกไปเรื่อยนะไม่รู้ตัวว่าหลง ไอ้ที่มันจะผิดเราไม่รู้ตัวว่าผิดส่วนใหญ่ก็คือถ้าเราเพ่งแล้วเราก็คิดว่าต้องเพ่งไปเดี๋ยวมันทะลุเองเหมอนนะเดี๋ยวมันจะคลายเองมันไม่ใช่นะเพ่งแล้วตึงแล้วต้องคลายมันออกเลยทันทีอย่าไปคิดว่าจะทําให้มันทะลุนะต้องคลายออกทันทีถ้าดูว่ามันเพ่งมันแน่นมันตึงเลยนะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนดีอะบทที่มันสบายขึ้นอะไรนะอันนี้คือบางคนคิดว่าแบบนั้น เพลงไว้ก่อน่นะเดี๋ยวมันจะดีเองหรืออีกแบบหนึง่งคิดว่าทําแล้วมันถ้ามันสงบแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดปัญญาเองตอนนี้ <c oughs> นักปฏิบัติทำหลายหลายคนหรือบางทีคิดว่าแบบพอจิตมาสงบแล้วเหมือนมันจะปิ๊งปัญญาเองที่จริงไม่ใช่นะแต่มาก็เคยทํามาก่อนนะทําจนจิตสงบ <c oughs> คิดว่าเดี๋ยวสงบเยอะๆเดี๋ยวมันจะ มันเหมือนจะบรรลุธรรมเองเหมือนะมันคิดอย่างนั้นนะแล้วหลายคนก็เชื่อว่าเป็นแบบนั้นแต่ที่จริงมันไม่ใช่ทางเลยนะเ พ, พราะพระจาท่านก็เคยทําแบบนี้มานานแล้วนะเคยได้สมาธิที่สงบมากแต่ก็ไม่ได้เกิดปัญญาเพราะจริงๆปัญญาที่แท้จริงคือมันต้องมีสติก่อนมันต้องมีสติเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงมันถึงจะเกิดปัญญา ไม่ใช่ว่าแค่สงบเฉยๆธรรมดาแล้วมันจะปิ๊งเข้าใจธรรมะเองบรรลุธรรมเองมันไม่ใช่นะอันเนี้ยคือหลายคนจะเข้าใจผิดว่าที่ทํามันถูกแล้วแต่ถ้าไม่เอะเอะใจว่าไอ้ที่ทําเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ติดแค่ความสงบนะยังไม่ใช่การเจริญสติเป็นมหาสติจริงๆน่ะจะไม่รู้ตัวออันเนี้ยหลายคนจะติดตรงนั้นแต่ถ้า สายเราส่วนใหญ่ก็จะเน้นย้ำกันอยู่นะว่าไม่ให้ไปติดความสงบไม่ให้ติดกับความสุขนะให้มีสตินะหรือว่าเราก็พยายามย้ำกันว่าความความหลงไปบ้างหรือฟุ้งไปบ้างคิดไปบ้างเนี่ยธรรมดานะนะอย่าไปคิดว่ามันจะต้องไม่หลงต้องรู้ตลอดอนะนะนะถ้าทำสบายๆหลงบ้างแล้วค่อยรู้นะ อันนี้ทาแบบนี้มันไม่สงบแบบนิ่งแต่มันมันจะเป็นตัวสงบแบบรู้ครับแม้แม้จิตมันฟุง้งแต่ก็มีจิตหนึ่งที่ตามรู้อีกทีนึ่งมันจะเป็นความสงบอีกแบบหนึง่งมันจะเป็นความสงบที่เกิดจากการรู้ตัวสงบเพราะว่าอะไรสงบเพราะว่าเราเห็นมันเป็นธรรมดาเห็นเป็นธรรมชาติของจิตที่มัน เถอไปที่มันหลงไปแต่พอมีสติมันก็กลับมาได้แล้วนะไม่ได้ไปอะไรมากมายนะอันนี้คือไม่ต้องคือประเด็นในอย่างที่ว่าก็คือเราไม่หลงไปให้ค่าให้ค่าว่าชอบหรือไม่ชอบนั่นแหละนี่คือหลงอย่างหนึ่งนะท่านเรามีสติเน่ะในมหาสติประฐานสูตรจะบอกชัดเลย น, นะว่า เมื่อเรามีสติไม่ว่าจะดูกายเวทนาหรือจิตหรือธรรมเนะี่ยถ้าดูแล้วเห็นแล้วนะมันจะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้คำว่าโลกในที่นี้อาจจะรวมถึงสิ่งต่างๆที่มันอาจจะยั่วยุนให้เราติดใจเนาะรูปเสียงกลิ่นรสหรือว่ากายสัมผัสหรือว่าจิตใจรู้สึกนึกคิดต่างๆเนะี่ย มันจะถอนความพอใจและความไม่พอใจในสิ่งต่างๆพวกนั้นได้รวมทั้งการถอนความพอใจความไม่พอใจในในร่างกายแล้วก็จิตใจของเราด้วยเนี่ยสติมันจะทำให้เราถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อันนี้นถึงจะเป็นทางที่เรียกว่าไปสู่ความหลุดพ้นเนี่ยเป็นทางตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านย้าไว้เนาะพวกเราก็อาศัยความเพียรแล้วก็ ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามันมีข้อสงสัยก็ก็ทำไปก่อนนอกาจากว่าเรารู้ว่ามันผิดไอ้แบบนั้นอย่าไปทำต่อนะหมายถึงว่ารู้มันเครียดก็อย่าไปเพ่งให้มันเครียดต่อหรือว่าบงทีมันติดสงบติดสมาธิแล้วมันก็เป็นความหลงอีแบบหนึง่งก็อย่าไปอย่าไปจมแช่กับมันถ้าใครติดสงบติดสมาธิ ต้องเปลี่ยนวิยาบทมาทำงานทำการให้จิตมันมันฟุ้งขึ้นมาฮะจิตมันฟุ้งขึ้นมาแล้วให้มันเห็นจิตที่มันเคลื่อนถ้ามันสงบเกินไปมันไม่มันจะสบายถ้ามันก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องอะไรกับใครมันก็จะไม่เดินปัญญาต่อต้องถ้าสงบมากๆเนี่ยแก้ออกมาทำงานออกจากสมาธิมันจะได้เจออารมณ์กระทบบ้างมันจะได้เห็นจิตที่มันเคลื่อน มันถึงจะเป็นการเดินปัญญาน อ, อันนี้หรืออีกอย่างหนึ่งถ้าบางคนก็ภาวนานมันก็ใช่ทางแหะแต่มันเป็นตัวตัววิปภาษาพระนะเขาเรียกวิปัสสนูวิปัาสนจินตายานต่างๆมันเป็นอารมณ์หนึ่งที่เหมือนคล้ายมันจะหลงแต่มันจะเป็นหลงในเชิงเช่นหลงในความรู้นมันเข้าใจนั่นนี่หรือว่าหลง นะที่อยากจะไปซ้อนไปบอกคนอื่นอะไรนะนะไอ้พวกนี้ยมันวิธีแก้คือกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆ อ, อย่าไปหลีย๋ยวไปติดอยู่ตรงนั้นนานนะให้กลับมาดูตัวเองนะกลับมาดูฐานกายที่เคลื่อนไหวกลับมาก่อนอย่าเพิ่งไปรีบไปบอกไปซ้อนไปคิดนะพิจารณาธรรมะอะไรต่างๆให้กลับมาตรง น, นี้ก่อนมันจะเป็นการแก้อารมณ์ตัวเองก่อน เราต้องแก้ลงตัวเองก่อนนะถึงจะไปแก้ลงคนอื่นได้นะประมาณนะี้อันนี้คือทางที่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นทางที่มันหลงไปเนะ่ะมันก็จะติดนานหรือบางคนพอติดพวกนี้ติดวิปัสสนาติดอะไรนานๆเนะ่ยต่อไปอารมณ์ก็จืดเลยนะจืดเหมือนที่มันเคยรู้ที่มันเคยสงบที่จิตมันตื่นดีๆนะพอสักพักไปมันจืดเหมือนไม่เคยเป็นเลยนะเหมือนคนมีเงินนะเหอนนะ ใชนะ้แจกคนนั้นแจกคนนี้หมดนะพอรู้ตัวอีกทีคือเงินหมดละไม่มีแจกไม่มีใชนะ้ต้องมาหาใหม่ก็เหนื่อยอีกนะอันนี้ก็เหมือนกันบางทีไอ้ตัวความรู้ที่มันมีมากขึ้นมากขึ้นนะมันก็ถ้าเราโมแต่ส่งจิตออกนอกนะไปดูคนอื่นไปสอนคนอื่นอะไรมากบางทีไม่กลับมาสอนตัวเองมันก็มันก็จืดไปหมด อันนี้ก็พูดให้ฟังไว้ก่อนในทางที่พวกเราอาจจะเจอนะนก็จะได้พอเจอแล้วจะได้ระลึกได้เผื่อบางทีไม่มีคนเตือ น, นมันก็จะได้ระลึกได้เองเพราะบางทีเราก็ไม่รู้นะเราจะเจอกัญยาณมิตรเจ้ากุบายานในช่วงนั้นหรือเปล่าบางทีก็ไม่รู้เหมือนกั น, นแต่ถ้าเราพอจะรู้ไว้เราก็ย้ํเตือนตัวเองได้ เมื่อเจออารมณ์พกเนี้หรือบางทีพอเราจเจอคนอื่นเราก็อาจจะเตือนคนอื่นได้บ้างแต่ไม่ต้องเตือนตรงๆนะเราเตือนแบบดูกาลเทศะที่เหมาะสมนะเราค่อยเตือนกันนลก็คงใช้เวลาไม่มากในคืนนี้เราจะให้เวลาพวกเราได้ปฏิบัติทำกันต่อนะกราบพระพร้อมกันจัง